เจ้าวันพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ข่ทำทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่ย4เมษายนพุทธศักราชสอง6เป็นวันพระวันธรรมมัวนะเป็นวันฟังธรรม ญาติโยงผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้เดินทางมาที่วัดเพื่อประกอบาศาสนากิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องมีการทำบุญต่างบารสมาทานรักษาศีลถวายสังฆทาน ฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญการฟังธรรมอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการเจริญปัญญาความรู้ความจริที่จะเป็นเครื่องมือนำพาไปสู่การ ดับทุกข์ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับทุกข์ความรุ่มร้อนภายในจิตใจได้นอกจากปัญญาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าจะตัดสรู้เป็นพระอรหันตะสัมมาสังพุทธเจ้าได้ก็ต้องอาศัย พระปัญญาบารมีเท <c oughs> ่านั้นจึงจะสามารถบรรลุเป็นพระอารหันต์ตถสมาสมพุทธเจ้าได้บารมีอย่างอื่นเช่นเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมียังไม่พอเพียงที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจาก กองทุกข์หลุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีไว้เพื่อสนับสนุนปัญญาบารมีบารมีทั้งหมดมีสิบประการด้วยกันรวมทั้งปัญญาบารมีด้วยบารมีอย่างอื่นเช่นทานศีลในคขมะวิริยะความหมั่นเพียรขันติความอดทน เหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาให้ทำการต่อสู้กับอวิชชาโมหะความหลงความมืดบอดที่มีอยู่ภายในจิตใจให้สลายหมดไปปัญญาตามลำพังนั้นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้ถ้าไม่มีวิริยะความภาคเพลยนไม่มีขันติความอดทน ไม่มีศีลไม่มีทานเป็นเครื่องสนับสนุนดังนั้นบารมีทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่สนับสนุนกนและกันแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในบารมีทั้งสิบนี้ก็คือปัญญาบารมีต่อให้เราได้เจริญบารมีทั้งเก้าแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถที่ <c oughs> จะ นำตนให้พ้นทุกได้ดังที่มีนักปฏิบัติต่างๆในสมัยก่อนพุทธกาลและในสมัยพุทธกาลที่บำเพ็ญบา ร, รมีปฏิบัติทำแต่ก็ไม่สามารถยกตนให้พ้นจากกองทุกได้เพราะขาดปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี้จะเกิดขึ้นได้ในบุคคลเพียงคนเดียว นั่นก็คือพระโพธิสัตว์ผู้ที่เจริญทำเพื่อการบรรลุเป็นพระอาหารหันตัมมางๆสมุทธเจ้าทางนั้นอย่างพระพุทธเจ้าของเราในเบื้องต้นก็ทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆได้ศึกษา <c oughs> ตามสำนักต่างๆแต่ก็ไม่มีผู้ใดมีปัญญาบารมีปัญญาที่จะสามารถยก ให้ผู้ปฏิบัตินั้นหลุดพ้นจากกองทุกได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องแสวงหาปัญญาบารมีนี้ด้วยพระองค์เองทรงทดลองทดสอบวิธีการต่างๆจนในที่สุดก็พบวิธีที่จะยกตนให้พ้นทุกได้คือเกิดมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักความจริงว่า สัพเพธมาอนัตตาคือธรรมทั้งหลายในโลกนี้ล้วนไม่มีตัวตนสัพเพธมาสัพเพสังฆาราอนิจจาสัพเพสังฆาราทุกขาคือสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกขนะ์เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมทั้งสามประการนี้ก็ สามารถยกตนให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความหลงความไม่รู้ได้โดยปกติพุทุชนนั้นมักจะไม่เห็นธรรมทั้งสามประการนี้คือไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความไม่มีตัวตนในสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ได้แก่ร่างกายเวทนาก็ได้แป่ความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างสัญญาคือคำความจำได้หมายรู้จําภาพจําเสียงว่าเป็นภาพหญิงเป็นภาพชายว่าเป็นเสียงหญิงเสียงชายว่าเป็นภาพในกรในขอ ว่าเป็นเสียงในเคในกในขอเป็นต้นสังขารคือความปรุงแต่งปรุงเรื่องราวต่างๆความคิดปรุงต่างๆเช่นคิดทำดีคิดทำบาปทำกรรมอย่างนี้เรียกว่าสังขารแล้ววิญญาณคือรับรู้สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสผ่านทวารทั้งห้า คือตาหูจมูกลิ้นกายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผพ t พัพ p เมื่อมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ปรากฏมีวิญญาณรับ <c oughs> ทราบรูปเสียงกลิ่นรสผ o t h a พะเมื่อรูปเสียงกลิ่นผ o t h a พะเหล่านั้นหายไปวิญญาณผู้รับทราบก็ดับตาไปด้วยขันทพระนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงรู้ทรงเห็น จากการปฏิบัติธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งูแล้วดับไปถ้าประยึดไปติดไปยินดีไปไม่ยินดีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา mm hmm. เพราะเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลบังคับของใครทั้งสิน้นเขา เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเช่นต้นไม้ภูเขาวัตถุสิ่งของต่างๆเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาต้นไม้ถ้ามีน้ำมีแดดมีลมมีดินก็จะเริญเติบโตขึ้นมาได้ร่างกายของสัตว์ของมนุษย์ก็จะเริญเติบโตขึ้นมาได้ถ้ามีการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อกับแม่ แล้วมีดวงวิญญาณดวงปฏิสมธิวิญญาณมาครอบครองร่างที่เกิดจากกา ร, ระสมพันธุ์นั mm ้น hmm. ก็จะมีการตั้งไขมีการเจริญในคันอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็จะคลอดออกมาเป็นร่างของมนุษย์เป็นร่างของสัตว์เลี้ยงานอย่างนี้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยและดาเนินไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วในที่สุดก็จะสลื่ก็จะเสื่อมจะสลายจะแตกดับไปในที่สุด <c oughs> ผู้ใดที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่มีปัญญาก็จะลงยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เช่นจะยึดติดกับร่างกาย ว่าร่างกายนี้จะต้องอยู่ไปนานๆร่างกายนี้จะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องไม่ตายถ้าเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์เนื่องจากไม่มีปัญญามีความหลงมีอวิชชาครอบงำอยู่ แต่ถ้าได้ศึกษาได้ยินได้คำธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เจริญอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นให้เจริญว่าขันหานี้เ ป, นเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่าไปยึดอย่าไปติดให้รู้ไว้ตามความเป็นจริงเขาเป็นอย่างไรก็ให้รู้ตามความเป็นจริงตามนั้นเวลาเขาออกมาคลอดออกมา ก็ไม่ต้องไปดีอกดีใจเวลาเขาเจริญเติบโตก็ไม่ต้องไปดีออกดีใจเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายก็ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจเพราะนี่เป็นสัจธรรมความจริงเป็นสิ่งปกติของสภาวะถมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือเรื่องของปัญญาความฉลาดความรู้ทันต่อ สภาวะธรรมทั้งหลายบุคคลที่ฉลาดถ้าได้ยินได้ฟังธรรมแล้วนำไปไต่ตรองคร้ครพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนำไปสู่การปฏิบัติคือสู่ความยอมรับความจริงอันนี้ยอมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้น เมื่อจิตใจรู้ทันสิ่งเหล่านี้แล้วยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้ตามความเป็นจริงของเขาจิตใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความกลัวสิ่งเหล่านี้เหตุที่บุคคลใดก็ตามเมื่อคิดถึงความแก่ความเจ็บไข้ความตายแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายขึ้นมา ก็แสดงว่าจิตใจยังไม่มีปัญญายังถูกความมืดบอดครอบงำอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายก็จะเกิดความตกอกตกใจเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าได้นำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไข้ครวนมา อบรมสัมสอนตนอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกเวลาในอิเลยาบทั้งสี่เดินยืนนัน่งนอนก็ขอให้ระลึกถึงเสมอว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการแก่เป็นธรรมดามีการเจ็บเป็นธรรมดามีการตายเป็นธรรมดาถ้า อบรมสั่งสอนตนอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ช้าก็แล้วจิตก็จะยอมรับได้เมื่อยอมรับได้แล้วก็ปลงได้ว่าหนีไม่พน้นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วต่อไปเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายหรือประสบกับความแก่ ความเจ็บความตายก็จะไม่เกิดความทุกข์เกิดความกลัวขึ้นมาเพราะใจได้กปงแล้วได้ยอมรับความจริงมันนีแล้วนี่คือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการไข้ควรจนกระทั่งเห็นตามความเป็ น, ปนจริงว่าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อยอมรับแล้ว ใจก็จะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปเ <c oughs> ม, มื่อมีเมื่อไม่มีความทุกข์แล้วจะเป็นอย่างไรร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่ดือดร้อนนี่แหละคือเรื่องของปัญญาที่จะสามารถนำให้ผู้ปฏิบัตินั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่จะต้องอาศัย การศึกษาคือการได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นหลังจากได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปพิจารณาค่ายครวรอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติคือการตรงสังขารการยอมรับความจริงอันนี้การที่จะนาไปสู่การยอมรับความจริงอันนี้ได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับพลังของจิตว่ามีมากมีน้อยเพียงไรถ้ามีพลังจิตมากก็จะสามารถปรงได้เร็วถ้ามีพลังจิตน้อยก็จะปรงได้ช้าอย่างในสมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจะมีผู้บรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมนั้นเลยก็เนื่องจากว่า จิตของผู้ฟังนั้นมีพลังจิตพลังจิตนี้ก็คือสมาธิความตั้งมั่นความสงบนั่นเองถ้าจิตมีความตั้งมั่นมีความสงบมากน้อยเพียงไรการจะโปรงอนิจังทุกขังอนัตตาก็จะเป็นไปได้ง่ายมากน้อยตามกำลังของสมาธินั้นยังไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรในสมัยพุทธกาล เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับนักบวชทั้งหลายผู้มีสมาธิอยู่แล้วเมื่อฟังธรรมก็พิจารณาตามไปค่ายควรตามไปเมื่อพิจารณาค่ายควรเห็นตามความเป็นจริงก็สามารถปรงได้ยอมรับความจริงได้ในขณะที่ฟังนั้นเลยนี่คือความรวดเร็วของปัญญาของผู้ที่มีสมาธิอยู่แล้ว ถ้ามีสมาธิอยู่แล้วเมื่อฟังแล้วนำไปพิจารณาแล้วเกิดความเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกนี้เกิดขึ้นจากการฝืนความจริงไม่ยอมรับความจริงเมื่อไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องเลิกฝืนความจริงเลิกไม่อยากจะให้ความจริงเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเมื่อยอมรับแล้วไม่ฝืนกับความจริง คือรู้เท่าความจริงรู้ทันความจริงรู้ว่ายังไงยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เมื่อจิตมีพลังที่จะยอมรับความจริงอันนี้ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความหลงความอยากก็จะหมดไปแต่ถ้ายังไม่มีพลังจิตไม่มีสมาธิพอ ต่อให้นั่งฟังไปมากน้อยเพียงไรเอานำไปพิจารณามากน้อยเพียงไรก็ยังทำใจไม่ได้ยังปรงไม่ได้เพราะว่าภายในใจนั้นยังมีสิ่งต่อต้านอยู่คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชายังไม่ได้ถูกการฉียาสลบคือทำให้อ่อนกำลังลงไปด้วยอำนาจของสมาธิ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจริญสมาธิก่อนทำจิตให้สงบให้ได้เสียก่อนเพราะเมื่อจิตสงบแล้วแรงต้านทานของกิเลสตัณหาของโมหะอาวิชชาก็จะถูกลดน้อยถอยลงไปหรือทำให้เบาบางลงไปชั่วขณะที่มีสมาธิเมื่อไม่มีแรงต้านทาน ท, านที่จะให้อยาก ให้ฝืนความเป็นจริงความเห็นจริงความที่อยากจะให้ใจยอมรับความเป็นจริงก็จะมีกำลังพอที่จะลมล้างกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเครื่องต่อต้านความจริงได้ดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายเมื่อฟังเทศฟังธรรมในวันนี้แล้วได้ยินได้ฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องความจริงว่าคนเรานั้นเกิดมาแล้ว ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพลากจากของรักเป็นธรรมดามีการพบกับสิ่งที่ไม่ฝราถนากันเป็นธรรมดาเช่นพบกับความผิดหวังพบกับความเลวร้วายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้ว เรายังทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกําลังพอกําลังใจของเราพลังจิตของเรานั้นยังไม่มีพลังพอที่จะรับความจริงที่พระบุตรเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้เราจรึงต้องสร้างกาลังจิตพลังจิตขึ้นมาก่อนด้วยการเจริญสมาธิ เพราะสมาธินี่แหละคือตัวพลังของจิตถ้าจิตมีสมาธิแล้วจิตจะเปรียบเหมือนกับก้อนหินก้อนหินนี้ต่อให้ลมพายุพัดมาก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนขยับให้ก้อนหินนั้นเคลื่อนไหวได้ในทางตรงกันข้ามถ้าจิตยังไม่มีสมาธิจิตก็จะเป็นเหมือนกับนุ่น เวลาลมเบาๆพัดแผ่วมาเพียงนิดเดียวก็ทำให้นุ่นนั้นลอยไปได้แล้วขยับขึ้นไปได้แล้วจิตใจของผู้ที่ยังไม่ได้มีสมาธิก็จะเป็นในลักษณะเหมือนกับนุ่นนั่นเองเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบเพียงเล็กน้อยก็เสียหลักแล้วเวลาใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็เกิดความ ทุกขึ้นมาแล้วเวลาเห็นอะไรใครทำอะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วเวลาเวลาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองเพียงเล็กๆน้อยๆเจ็บตรงนั้นนิดปวดตรงนี้หน่อยก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าใจนั้นไม่มีสมาธิไม่มีความหนักแน่น ไม่มีความตั้งมั่นนั่นเองดังนั้นจึงไม่สามารถนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าคือปัญญาในนี้มาใช้กับตนเองได้ทั้งๆ ท, ที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาเป็นเวลาหลายหลายปีด้วยกันเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้ฝึกฝนทำจิตใจให้สงบ ให้ตั้งมัน่นจิตจึงลอยไปลอยมาตามกระแสอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะมาผ่านทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสก็จะเกิดอาการรีอกดีใจเสียอกเสียใจทันทีทันใดตามเรื่องราวที่มากระทบกับใจแต่ถ้าได้ฝึกทำใจทาจิตให้สงบให้ตั้งมัน่น ให้เป็นเหมือนกับก้อนหินแล้วเวลามีอารมณ์อะไรต่างๆมากระทบผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทาหูจมูกลิ้นกายหรือผ่านทางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต่างจะไม่มีอาการสะทกสถทานไม่มีอาการยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากนัก อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่เหมือนกับในขณะที่ไม่มีสมาธิเพราะว่ายังไม่มีปัญญารู้ทันนั่นเองแต่ถ้ามีปัญญารู้ทันแล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มากระทบกับจิตนั้นจะไม่มีกําลังที่จะทําให้จิตนี้มีอารมณ์ตอบโต้ได้มีความรู้สึกความทุกข์ เกิดขึ้นมาได้เพราะมีปัญญารู้ทันรู้ว่าเป็นใจรักนั่นเองหรือว่าเป็นของไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้รู้ว่าถ้าไปยินดียินร้ายก็จะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นนัดัง น, นั้นเวลามีอารมณ์ายมากระทบกับจิตจะเป็นด้าน ที่ชอบหรือด้านที่ไม่ชอบก็ตามถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยจะเพียงแต่รับรู้เฉยๆคือจะไม่ไปมีปฏิกิริยายินดียินร้ายตอบโต้ด้วยใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปเขาพูดเสร็จเขาทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำ เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะร้ายก็เรื่องของเขาแต่เราจะไม่ดีไม่ร้ายตามเขาเพราะเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันอย่างนี้ใจของเราก็ยังนิ่งเฉย อ, อยู่เป็นเหมือนก้อนหินอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นมานี่แหละคืออนิสง ของการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิการมีปัญญาเมื่อมีทั้งสองอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ภายในใจจะไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นท่านมีปัญญาท่านมีสมาธิท่านจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ ทั้งหลายที่เข้ามากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสผ่านทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านรู้ทันสภาวะธรรมเหล่านี้ทั้งหมดแล้วว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านไม่ยึดไม่ติดไม่มีความปรารถนา ที่จะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างไรก็ยอมรับความเป็นจริงตามสภาพของเขาอย่างพวกเรานี้บางสิ่งบางอย่างเราก็รับได้เรายอมรับได้ใจของเราก็ไม่ทุกข์เช่นเรายอมรับกับสภาพดินฟ้าอากาศได้เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราก็ไม่ไปมีความอยากให้ขึ้นหรือไม่ให้ตก เวลาฝนตกเราก็ไม่ได้มีความอยากว่าจะไม่ให้เขตก mm hmm. เขาจะเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงของเขาได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีปัญญาเรารู้ทันกับความเป็นจริง mm hmm. เมื่อเรารู้ทันแล้วเราก็ไม่ไปฝืนความจริง mm hmm. เมื่อไม่ไปฝืนความจริงความทุกข์ก็จะไม่มีในใจเราแต่นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นเอง แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังทำใจกันไม่ได้เช่นอย่างที่บอกไว้ว่าเรายังทำใจกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เรายังทำใจกับการพัดพรากจากของรักไม่ได้เรายังทำใจกับการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่ได้การทำใจกับความผิดหวังไม่ได้นั่นเองเราจึงยังมีความ ทุกอยู่ในใจแต่ถ้าเรานำธรรมที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติในเบื้องต้นฝึกธรรมสมาธิทําใจให้ตั้งมั่นให้เป็นเหมือนกับหินเราสามารถทําได้ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ในเบื้องต้นก่อนหรือถ้าเราจะตั้งสมาธิขัดสมาธิกาหนดพุทโธพุทโธไปในใจเลยก็ได้สุดแท้แต่ความถนัดสุดแท้แต่ความสามารถ แต่เรื่องผลที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้จิจตนี้หยุดคิดไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆจะบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์สวดมนต์อารมณ์พุโทโธจนในที่สุดจิตจะรวมลงเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในขณะที่จิตรวมลงแล้วการสวดมนต์หรือการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ไม่มีความจําเป็นต่อไปเพราะในขณะนั้นจิตจะ ไม่ไปไหนจิตจะนิ่งเฉยตั้งมั่นอยู่มีความสุขมีความสงบมีความอิ่มมีความพอในขณะนั้นถ้าเราได้ทำให้จิตเป็นสมาธิอย่างนั้นแล้วหลังจากที่จิตออกมาจากสมาธินั้นเราก็นำมาเจริญปัญญาต่อไปพิจารณาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาคือเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ต้องพัดพลากจากของรักเป็นธรรมดาต้องประสบกับของชังของไม่ชอบเป็นธรรมดาหรีกเรียกไม่ได้หนีไม่พ้นเป็นปกติเป็นธรรมดาของโลกนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ฝึกทําใจยอมรับเมื่อเราก็ค่อยฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดเราก็จะยอมรับได้เมื่อยอมรับได้แล้วความทุกข์ก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาภายในใจ เช่นเราสูญเสียอะไรไปเราก็ยอมรับว่ามันสูญเสียไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเอากลับมาไม่ได้ถึงแม้เอากลับมาได้พรุ่งนี้หรืออนาคตข้างหน้าก็ต้องสูญเสียอีกเพราะมันเป็นอนิจจ์เป็นของไม่เที่ยงมันไม่พัดภาคจากกันในวันนี้มันก็ต้องพัดภาคจากกันในวันหน้าอย่างแน่นอนเพราะนี่คือธรรมชาติของสภาวะธรรมทั้งหลาย ของสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นายลั์ทั้งสิ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจก็จะไม่ประยึดไปติดกับอะไรอีกต่อไปถึงแม้จะอยู่กับสิ่งอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่ยึดไม่ติดไม่หวงไม่หวงจะอยู่ก็อยู่ไปจะหมดก็หมดไปแต่ในขณะที่อยู่ด้วยกันก็นามาใชใ้เกิดคุณเกิดประโยชน์ เช่นมีเงินทองเข้าของส่วนเกินต่อความจำเป็นก็นำมาทำบุญทำทานสร้างบุญบารมีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์้วยกันอย่างนี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นการสะสมบุญบารมีที่จะส่งเสริมให้เราได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้มีปัญญาขึ้นมาเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจาก กองทุกในลำดับต่อไปชีวิตของเราจะดำเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นสบาย อ, อุสบายใจเพราะความตังวลต่างๆนั้นจะไม่มีภายในใจของเรานี่แหละคืออานิสงส์ของปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราได้เจริญกันถ้าเรานำไปเจริญอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดเวลา แทนที่จะเอาเวลาของเราไปคิดในเรื่องไร้าสาระหรือเรื่องที่จะสร้างให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเรานำมาคิดถึงเรื่องการที่จะทำให้ใจของเรานั้นสงบให้ใจของเราสบายไม่ดีกว่าหรือทุกครั้งเวลาเราคิดอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรากำลังสร้างกองทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจเพราะสิ่งต่างๆที่เราปรารถนานั้นเมื่อเราได้มาแล้ว อาจจะให้ความสุดกับเราในเบื้องต้น